ผ่ายพาไม่ได้เจ็ดวันหนึ่งอาทิตย์แล้วใจยังสดใสเหมือนวันขึ้นปีใหม่อยู่หรือเปล่านะวันตอนที่ขึ้นปีใหม่นะี่โอ้ยจิตใจเราแจ่มใสร่าเริงนะตอนนี้ยังแจ่มใสร่าเริงเหมือนเดิมไหมหรือว่าหงอยเหงาซะแล้วยังรู้ส่วปีใหม่มัน ใหม่อยู่หรือเปล่านะหรือว่าเบื่อกับปีใหม่แล้วคนเรานี้เบื่อง่ายนะตอนที่ปีใหม่ยังมาไม่ถึงก็รอว่าเมื่อไหร่จะมานะเตรียมต้อนรับกันอย่างยิ่งใหญ่เออกระเริกแต่พอมาถึงแล้วนะก็อาจจะรู้สึกเฉยๆแล้วนะปีใหม่นะก็ให้มัน ใหม่ทั้งปีเลยยิ่งดีอนได้อ่านข่าวหนึ่งนะน่าสนใจแล้วก็แปลกดีแต่ที่จริงมันก็อาจไม่แปลกก็ได้เพราะมันอยู่ใกล้ตัวมากเดีย๋ยวนี้ก็เห็นกันทั่วไปแต่ จ, จะไม่ทันได้สังเกตคือเขามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่าคนเดี๋ยวนี้เนี่ยนะ ที่มีสมาร์ทโฟ น, นนะ่ะนะสมาร์ทโฟนก็คือโทรศัพท์มือถือที่มันมันเล่น Facebook มันใช้ระบบ 3G เนี่ย4ถึง4ใน5คนหรือว่า 80% เนี่ยพอตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่ถึง15นาทีก็จะต้องเปิดเช็คโทรศัพท์ว่ามี อีเมลเข้ามาไม่มีจดหมายเข้ามาเปล่ามีทวิตเตอร์ดูเฟซบุ๊กตื่นขึ้นมาอย่างแรกที่ทำก็คือมาดูโทรศัพท์นะไม่ใช่โทรศัพท์ถึงใครนะแต่มาดูข้อความจากโทรศัพท์แทนที่จะตื่นขึ้นมาแล้วก็ออนั่งสมาธิสวดมนต์หรือว่าล้างหน้าแปรงฟันเปล่านะอย่างแรกก็คือ เปิดโทรศัพท์หยิบโทรศัพท์มาดูแล้วก็ทำอย่างนี้ทั้งวันนะก็คือเช็คแล้วเช็คอีกดูแล้วดูอีกนะดูข้อความดูจดหมายนะเขาบเฉลี่ยนี่ก็คนหนึ่งวันหนึ่งก็ดูข้อความประมาณร5 0ครั้ง150ครั้ ง, ง, งมันก็แปลว่าเกือบทุก เกือบทุกห้านาทีนะเจ็ดแปนาทีก็ดูทีเจปนาทีก็ดูทีนะ mm hmm. อันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะยังไม่ถึงกับเกิดที่เมืองไทยนะเกิดขึ้นในต่างประเทศแต่ว่าเมืองไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพก็มีหลายคนเป็นอย่างนี้แล้วละ่ะไม่ถึงสินาทีก็เปิดโทรศัพท์อ่าดูโทรศัพท์นะ เปิดนี่มันเปิดทั้งวันอยู่แล้วดูว่ามีข้ อ, อความอะไรเข้ามาดูข้ อ, อความในเฟซบุ o กท t ิตเตอร์พวกเราชาวบ้านเนี่ยจะไม่ค่อยรู้จักหรอกนะแต่ถามลูกนะถามหลานนี่เดี๋ยวนี้เขารู้จักหมดแล้วนะ Facebook Twitter Line นะถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยจะมีสมาธิเรียนหนังสือหรื อ, รอเปล่านะเพราะว่าใจมันจดจอแต่ว่า จะมีใครส่งข้อความมาหรือก็จะมีใครเขียนข้อความมาให้อ่านถ้าเป็นคนทํางานก็ไม่มีสมาธิกับงานแล้วใจจดใจจ่อคอยเอาโทรศัพท์มาดูนั่นแหละสมัยที่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือนี่ยมันก็ไม่เป็นอย่างนี้นะหรือถึงว่าถึงแม้มีโทรศัพท์มือถือแต่ว่าเป็นโทรศัพท์ที่มันยังเป็นรุ่นเก่านะมันก็ไม่มีแบบนี้นะ แต่เดี๋ยนี้โทรศัพท์มันเป็นสมาร์ทโฟนแล้วนะสมาร์ทโฟนนี้เป็นโทรศัพท์ราคาแพงเดี๋ยวนี้ราคาถูกนะ300รบาทก็ซื้อได้แล้วไม่น่าเชื่อเลยนะมีมีพระไปซื้อมายี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งโทรศัพท์300ร้อบาทนะที่จริงสอ9รโทรศัพท์300รอบาทนะแล้วก็เล่นอินเทอร์เน็ตก็ได้เล่นเฟซบุ๊กก็ได้เล่นไลน์ก็ได้ดูโทรดูทีวียังได้เลยติดต่อทางอินเทอร์เน็ต แล้วอย่างนี้ลูกเราหลานเรานี่ก็ก็คงนะหนีไม่พ้นอำนาจของอพวกสมาร์ทโฟนแบบนี้แหละมันไม่ได้ราคาเป็นหมื่นแล้วเดี๋ยวนี้แค่สามร้อยบาทถูกกว่าโทรศัพท์ธรรมดารุ่นเก่าๆที่เราเคยเคยใช้กันมาสิแล้วเดี๋ยวนี้นี่มันสิ่งยั่วยุเยอะนะสิ่งที่มาดึงคนให้ลุ่มหลงนะแต่ก่อนก็มีแต่โทรทัศน์ก่อนโทรทัศน์ก็มีวิทยุนะ เดีย๋ยนี้วิทยวคนก็ไม่สนใจแนละ้วสนใจโทรศัศท์ก็ยังไม่สนใจเลยนะเขาก็มาสนใจพวกโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแทนเราก็ติดกันทั้งไม่ใช่ทั่วบา้านทั่วเมืองแต่ทั้งโลกเลยนะบางทีพระก็ติดนะแต่ยังดีนะที่ว่าสัญญาณที่นี่มันไม่ค่อยดีแล้วก็เป็นพระนี่มันก็ไม่ใช่ว่าจะทําไดไง้ง่ายๆนะแต่คนในเมืองเป็นอย่างนี้กันเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เด็กแล้วผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยมีสมาธิแล้วทำอะไรก็แตเดี๋ยวๆก็ต้องคว้าโทรศัพทม์มาดูมาอ่านเวลากินข้าวนะกินข้าวไปก็หยิบโทรศัพท์มาดูไม่ค่อยได้คุยกันแล้วนะไอ้แบบเพื่ว่าถ่ายถ่ายรูปอาหารขึ้นเฟซบุ๊กนี่ธรรมดาไปแล้วเดี๋ยวนี้เขาทำอะไรต้องหลายอย่าง แต่ก่อนเราเป็นนายโทรศัพท์นะแต่ทีนี้โทรศัพท์เป็นนายเราละนะอันนี้เราเป็นทาสนะเป็นทาสของโทรศัพท์แต่ก่อนเขาบอกว่าโทรศัพท์ทำให้เรามีอิสระนะสามารถที่จะติดต่อผู้คุยคนทั้งโลกได้แต่ตอนนี้เรากลายเป็นทาสมันและ้ะคนในชนบทอาจจะยังไม่เท่าไหร่นะแต่คนในเมืองก็เป็นเงินเยอะมากขึ้นเรื่อยๆแนะต่อไปมันก็เข้ามาในชนบทนะเพราะอย่างว่านะโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน แค่เครื่องก็สามร้อยบาทแค่นั้นละนะต่อไปพ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็ต้องใช้แล้วนะเพราะมันถูกไงแล้วแต่บริการมันยังแพงอยู่ต่อไปก็จะถูกลงเสร็จแล้วก็จะติดนะพอติดมันแล้วก็ต้องเสียเงินนะใช้มันนอกจากเสียเวลาแล้วเสียเงินเยอะนะมีบางรายนะโดยเก็บค่าโทรศัพท์ไปหลายหมื่นหลายแสนนะเคยเป็นข่าวมา่ปีที่แล้วนะ ลูกเอาโทรศัพท์แม่ไปใช้นะเล่นไลน์เล่ น, ล เ, ลน <c oughs> เล่นเกมเพราะว่าโดนเรียกค่าโทรศัพท์เป็นแสนเลยนะสองสามแสนห้าแสนก็มีแค่เดือนเดียวนะนี่อันนี้เป็นอับอายามุกอย่างหนึ่งแล้วนะที่มันแพร่ระบาดต่อไปเนี่ยศีลแปดอย่างเดียวไม่พอแล้วนะศีลแปดเนี่ยเขามีข้อนะข้อเจ็ว่านัจคีตะ ไม่ประดับประดาไม่ตกแต่งไม่ร้องลำทำเพลงไม่ร้องลำทำเพลงไม่เที่ยวไม่ดูหนังไม่ฟังละไม่ดูละครไม่ดูการละเล่นเดี๋ยวนี้ไม่พอแล้วนะมันต้องมีสีเก้าแล้วข้อที่เก้าคือว่าต้องปิดโทรศัพท์นะไม่เปิดโทรศัพท์ดูข้อความเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีนะเพื่อว่ามาถือศินแปดนะมาถือสินแปดแล้ว่าใจไม่มีสมาธิก็เปิดดูโทรศัพท์นั่นแหละ นะอาจจะไม่ถึงกับทุกสิบนาทีแนละแต่ว่าก็ทุกครึ่งชั่วโมงเนะปิดดูเปดิดดูสินไกนี่ก็มีไว้เพื่อทําให้ใจเราอิสระโปร่งเบานะไม่ไม่ไม่เสรพติดนะไม่ว่าจะเป็นสุรายามเมาหรือว่าอวบัยามุกที่มันประหนี่กว่านั้นหรือหยาบน้อยกว่านั้นเช่นการละเล่นละครหนังเพลงนะหรือว่าการประดับประดา แต่เดี๋ยวนี้อบียมุกที่มานละเอียดกว่านั้นก็มีนะไอ้โทรศัพท์มือถือหรือเกมออนไลน์พวกนี้ก็ใช่งั้นต่อไปเนี่ยศินแปไม่พอแล้วนะต้องมีศีลเก้านะอุโบสถศีนนี้ต้องพัฒนาเป็นมี9ข้อใครมาวัดนี่ต้องถือถือสีนข้อที่9้าด้วยนะก็คือว่าไม่เปิดโทรศัพท์นะอันนี้ก็เรียกว่าทรมารจิตใจคนรุ่นใหม่ยิ่งกว่าการไม่ไม่ร้องลั่นทำเพลงใช่ไหมนะไม่กินข้าวเย็นไม่เป็นไรไม่กินอาหารในวบริการยังพอไหว แต่ไม่เปิดโทรศัพท์ไม่ดูโทรศัพท์นี่ไม่ได้เลยวัยรุ่นหรือเด็กหลายคนนี่จะตายเอานะถ้าลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านหรือว่าไม่ต้องเปิดโทรศัพท์นี่ฉนั้นศีลสมัยใหม่นี่มันต้องพัฒนาแล้วนะศีลแปไม่พอแล้วต้องมีศีลเก้านะมันถึงจะเหมาะกับคนสมัยนี้แล้วก็จะช่วยขัดเกลาคนสมัยนี้ให้จิตใจโปร่งเบาวขึ้นบ้างแล้วก็เตรียมรับ